ท่นานสาธารณบริษัทท้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่23สิงหาคม2535พรยขอนำเรื่องกฎข้องกรรมของพระเวทพระเวทสันดรมาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงพระเวทสันดร น, นี่ก็คือพระพุทธเจา้าตามที่พทธเจ้าทรงตรัสว่าตายแล้วเกิด มีสภาพไม่ศูนย์พระองค์ก็ทรงยืนยันไว้อย่างสั้นคณะทศชาติคือสิบชาติพระเจ้าสิบชาติสำหรับเรื่องพระเวทสันดอนนี้ก็มีในพระเรื่องพระเจ้าสิบชาติพระเวทสันดอนห้าเกิดในตระกูลกษัตริย์ แล้วก็ต่อมาวว่วันที่ข้าจะขันบังขันบังวันดาก็ปรากฏมีช้างแม่ช้างเอาลูกช้างเผือกมาไว้ในโรงช้าง <c oughs> ให้ชื่อว่าช้างปัจเจียนากช้างตัวนี้มีบุญมากงนความว่าถ้าที่ไหนผลแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาล ถ้าแช่งตัวนี้ไปอยู่ฝนจะตกแช่งอยู่ที่ไหนทรัพย์จะเกิดมาก <c oughs> ฉะนั้นพระเวสสันดรจะเป็น ก, กษัตริย์ที่มีทรัพย์สินมากมายทรงตั้งโรงทานหกแห่งนอกเมืองสีแง่แห่งในเมืองสองแห่ง <c oughs> ทรงสรส้างทรัพย์เพื่อโรงทานวันหลายแสน ก, ก็หาเปนะ็นหนา ทุกวันเวลาเช้าหลังจากบริโภคอาหารเช้าสเสร็จพระเวสสันดรจะต้องไปที่โรงทานไปตรวจทานทุกแห่งว่ามีอะไรบกพร่องบ้างการให้ทานนี่ให้ทานคนยากจนเข็นใจคนเดินทางคนกำพาราไม่มีเสื้อม่ผ้าก็ให้ไม่มีเงินใช้ก็ให้ไม่มีของกินก็ให้ให้ทุกอย่าง เป็นความดีที่บรรดาประชาชนรักมากต่อมาในคราวหนึ่งเมืองคือกลิงคราชเมืองกาลิงคาาชนี่เป็นลานนี้อยู่ที่เชียงตงุง <c oughs> เกิดเข้ายากมากแพงผลแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลผลไม่ตกบรรดาชาวบ้านก็ บ, บังคับกษัตริย์ให้รักษาศีล ให้รักษาโบสถ์ตสินสิบห้าหวันฝนก็ไม่ตกจะทําพิธีกรรมยังไงยังไงฝนก็ไม่ตกจึงได้มีการประชุมกันว่าพระเวสสันดรมีช้างตัวสําคัญอยู่เชือกหนึ่งมัคือใช้ประจักรช้างประจันาคถ้าได้ช้างตัวนี้มาแล้วฝนจะตกต้องตามระดมการจึงตั้งพราหมณ์ไปคนไปข้อยืนช้าง พรามก็มาในตอนเช้าวันนั้นพระเวสสันดรกำลังจะออกตรวจรงทานพรามต้องไปก็มากราบโทรได้ทรงทราบว่าเวลานี้ที่เมืองกรุงรัชเข้ายากมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลจะขอยืมช้างไปไว้สักชั่หนึ่งพอฝนตกลงมาชาวนาทำนาได้ก็จะหืนช้าง เวสวชนดอนก็ให้เมื่อให้ช่างไปแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเหตุรก็เกิดขึ้นกับบรรดารเทวชนดอนนั่นคือว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายดนใจให้บรรดาประชาชนทั้งหลายพากระโขดเทวชนดรความจริงบรรดาประชาชนไม่มีหน้าที่จะกระด เพระช้างก็เป็นช้างเขาไปเว่ยสันดรท่านจะให้ใครไปนั่นเป็นเรื่องของท่านที่รามกฎธรรมดาแต่ว่าความเป็นไปของเรื่องไม่เป็นอย่างนั้นกับบรรดาท่านบรรดาเป็นชายชนโกรธเขาเว่วสันดรชาวบ้านก็โกรธนี่เทวดาเป็นเหตุนะเหมือนก็เทวดาไปน็นจ้าอดข้าวชาวบ้านไม่โกรธก็แจ้งให้ชาวบ้านโกรธ แต่เทวดาผู้กนี้จะจะจ้างหรือไม่จ้างก็ไม่ทราบตามบาลีก็แล้วกันพอชาวบ้านกรุงก็มาลองกับพระเจ้ากรุงพันชัยให้ขับไล่พระเวสสันดร อ, ออกจากเมืองพระเจ้ากรุงพันชัยก็เห็นว่าพระเวสสันดรทำถูกแต่ถ้าจะฝ่าฝืนก็เป็นเรื่องของบรรดาประชาชนทั้งประเทศมันก็ยากอยู่เหมือนกัน การปกครองประเทศก็คือปกครองคนแม้เมื่อคนทั้งหมดเขาไม่เห็นด้วยถ้าพระเจ้ากรุงพันชัยขัดใจเขาเขาอาจจะไล่พระเจ้ากรุงขันชัยอีกองค์หนึ่งก็ได้ฉ <c oughs> ะนั้นพระเจ้ากรุงขันชัยจึงบอกให้คนไปบอกพระเบอสันดรนว่าบรรดาประชาชนเขาไม่เข้าใจอย่างนี้เขาต้องการอย่างนี้จะเอาอยัางไง เขาอ้เส้นดยเขาเข้ามาเฝ้าบอกว่าถ้าเขาเขาต้องการอย่างนั้นก็จะไปแต่ขอให้ทานเป็นครั้งสุดท้ายซะก่อนที่เรียกว่าสัตดกมหาทานให้ทางอย่างละเจ็ดร้อยช้างเจ็ดร้อยม้าเจ็ดร้อยคนผู้ชายเจ็ดร้อยผู้หญิงเจ็ดร้อยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าทานห้อยท้ายคือมีสุราเจ็ดร้อย การให้สุราเป็นทานในบรรดาชนพุทธบริษัท พ, พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าการให้สุราเป็นทานไม่เป็นบุญไม่มีอานินสงส์คนกินเหล้าอยากจะกินเหล้าแต่ซื้นเหล้าให้กินที่ว่าจะมีอานิสงส์พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอานิสงส์ทั้งนี่เพราะอะไรเพรคนเมาย่อบ่อยรู้คุณคน น้ำเหล้าอาจจะเปลีป่ยนแปลงหัวใจคนได้จากคนดีเป็นคนชั่วแต่ว่าพระก็ถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าจนเป็นพระพุทธสันนดรจะให้เหล้าเป็นฌานท่านบอกว่าท่านให้เตรีมให้เตรียมความประสงค์ก็บอกคลผู้รับไม่มีอันิสงก็จริงแหละแต่ว่าคนที่กินเหล้ามันไม่อยากได้อย่างอื่นมันอยากจะกินเหล้าก็เลยให้มันกิน <c oughs> เมื่อเสร็จแล้วพระเวสสันดรก็ไปแนะนําพนามัตสีคอยพนาวัตสีอยู่กับเมืองอยู่กับลูกพ น, นามัตสีไม่ยอมว่าถ้าสามีไปไหนพัญญาต้องไปด้วยแล้วลูกทั้งสองก็ต้องไปด้ว ย, ขยเขาเล่า ล, ะ ล, ะละัดเป็นอันว่าทั้งสองมื่เสร็จจาการให้ทานแล้วก็ลาไปลาพระเจา้าคงทุนชัย พระเจ้าจกุคขนชัก็นั่งนิ่งเสียใจที่ลูกชายจะอยากไปนั่งหันหลังให้ไม่กล้ามองดูลูกเพราะอะไรร้องไห้ร้ <c oughs> องไห้สงสารลูกเพราะทั้งๆ ท, ที่ลูกทําถูกเขากล่าวหาว่าผิดจะขัดใจประชาชนก็ไม่ได้เ <c oughs> มื่อไปก็มีรถมีม้าเทียมนั่งไป ไประหว่างทางเจ้าพราหมณ์สองคนก็มาขอมา้าซะอีกพระเวทสันดรก็ให้นี่ก็เป็นเรื่องเดือดร้อนของเทวดาใอเวลาเป็นคนเจ้ากี่เจ้วการมาวันดานให้คนจดพระเวทสันดรแล้วทังี่พระเวทสันดรไม่มีมา้าเท็มรถจะล่ารถแล้วก็ไปไหวเทวดาก็ต้องแปลงเป็นม้าล่ากรถใหเนี่ลงโทษตัวเอง ถ้าจริงท่านก็ต้องการบุญขณะที่เข้าไปในป่าผลไม้มันมีมากถ้าเขา้ว่ยส้นดอยก็ดีพัดนางมัตสีก็ดีลูกตั้งสองก็ดีคือกัญหาและชาลีต้องการผลไม้ตกหลนไหนต้นไม้จะเอโนมาไม่ต้องตะเกียกตกายขึ้นไปเด็ดเอ็นลงมาต้องกิ่งทิ้งถึงมือลูกถึงมือแล้วเด็ดเอาตามชอบใจ อย่างนี้ก็เป็นอนุภาพของเทวดาเหมือนกัน mm. เทวดาให้ไล่แล้วก็ต้องต้องต้องการช่วยระหว่างทางพอไปถึงเมืองเจตบุตรก็ไปพักอยู่ในสลาหน้ า, ห น, าหน้าเมืองบรนดากรสัตรนั้นไหลเหล่านั้นจรงจรงเมืองนี้เป็นเมืองของมานาวัตสีทราบเข้าเข้าวประให้เข้าเข้าเมืองเพราะไปสุดยบอกบอกเขาไม่ต้องการ เท่าที่มานี่ต้องการจะไปเขาวงกตจะไปบวชที่เขาวงกตฉะนั้นบรรดาเจ้าในเมืองเจียตบุตรก็จัดยามต้นทางไว้ว่าจะเป็นใครก็ตามจะยอมให้เข้าไปทางที่เขาวงกตไปได้ให้ห้ามเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนให้ฆ่า เม็นาวหลังจากนั้นพระเวสสันดรก็มานำวัดรีกัญหาชารีก็เข้าไปที่เขาว่าโกดุยป่าลึกไปที่นั้นก็พบของแปลกคือเป็นที่เตียนเล่นโลงจะไม่เป็นป่ามาที่อื่นตอนเป็นบริเวณมีสระน้ำใสมีกอบัวนี่ปลาว่ายไปมาอย่างเด็ดด่านมองดูมีความสุขมีอาศมอาศรมต่างเขียนว่าอาศรมพระเวสสันดร จะมีเครื่องตแต่งแต่งกายแบบหรือสีครบชุดอีกอาสมหลังหนึ่งก็เห็นว่าอาสมของป็นนางมัดสีกับลูกนี่ก็เป็นเรื่องของเทวดาสร้างให้เหมือนกันความจริงก็น่าสงสัยว่าเทวดานะแกล้งพระเอสสันดรทำไมไม่ไปรู้เรื่องกที่หลังตอนนี้ก็ยังได้เลย ที่พระเวชสันดรต้องถูกขับออกมาจากเมืองทั้งๆ ท, ที่บรรดาประชาชนรับในเมื่อพระเวทสันดร อ, ออกมาเสแล้วไอ้ท่าลงทานแปดโลน่ะมันก็ต้องหยุดคนยากคนจนคนเขินใจก็มีความลําบากไม่สะดวกสบายมันไม่พระเวทสันดร อ, อย่างอยู่ท่า <c oughs> น, นี้ทําไมเทวดายังโดนใจบรรดาประชาชนหลายโกรธพระเวทสันดร เพื่อเป็นการลงโทษตัวเองเท่านั้นก็ต้องขอตอบว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าคือพระเวทสันดรในปรัชนาพุตธภูมิคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องบริจาคทุกอย่างทําทุกอย่างสร้างบารมีให้เต็มทั้งหมดถ้าสิ่งที่จะขาดไปได้คือบริจาคลูกบริจาคเมียเป็นฐาน แต่ก็เวทสันดนทํามาแล้วทุกอย่างในทุกชาติไม่สิบชาติไปอ่านดูทํา ท, ทุกอย่างขาดอย่างเดียวคือให้ลูกให้เมียเป็นทานแต่ไปทามาในลูกให้เมียเป็นทานก็แสดงว่าไม่มีโอกาสจะเป็นพระพุทธเจ้าได้จะาได้ยึงบังคับให้พระเวทสันดนมาสุ ป, ปาพธนาบสีก็แสนจะดี เป็นชาววังแท้ๆคือชาววังตั้งแต่ต้องเกิดตอนเช้าก็จัดหาไปหาผลไม้ตอนบ่ายกลับมาถวายพระพุทธเ้ดอนท่างก็ชันต้นบ่ายถ้าให้กับลูกอยู่ด้วยกันสี่คนจะมีความสุขมีความสุขสงบ ด, ดีมากน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา ตอนกลวันกวันเด็กต้องสองกันหาราชาลีก็ลงเล่นน้ำในสระมีกอบัวสวยๆก็เด็ดๆตกบวมาเล่นบ้างมาบูชาพระบ้างําเรื่องราวของเด็กตามสุวรรบายอยู่มาสบายไม่นานนักก็ปรากฏว่ามีเรื่องเรื่องนึงเกิดขึ้น ในสัจภาบแล้วนะว่าที่พระเวทย์ขึ้นดอนต้องมาเนี่ยคือต้องไปจากรูกกับเมียเป็นฐานจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ที่ทจะมาไม่อยากเป็นพุทธเจ้ากตรงนี้แหละตัก่อนในปัตตานีนาพุทธภูมิเหมือนกันมาใกล้จะเต็มก็เห็นแล้วก็ไม่มีลูกไม่มีเมียชาตินี้ก็ต้องไปเกิดใหม่ไปหาลูกหาเมียใหม่ให้ลูกมีเป็นทัน ให้ลูกเป็นทานพอไหวจะให้เมียเป็นทานเนี่ยาจะไม่ไหวจะไม่มีใครหุงข้าวให้กินก็เลยเลิกไม่เอาแล้วตัดลาออกจากพุทธภูมิมาเป็นสาวกดีกว่า <c oughs> สบายใจไม่ต้องอย่มากแต่ก็ยังหนักจะไม่น้อยตอนนี้บ้านเขาเกล่าทั้งเมืองเมืองหนึ่งคือชูชก ชโชชกนีก่จะเป็นขอทานพิเศษเป็นขอทานที่มีวาทวาะดีสะูปรา่างคตไปข้องอนในกระดูกไม่น่ารักสักนิดหนึ่งขอทานมาได้ขอใครใครก็ต้องให้พูดดีมากชักแม่นานทั้งห้ามาพูดพูดจนกระทั่งคนฟังปลื้มใจเผลอใจต้องให้ทาน การขอทานของแกก็เกิดความร่ำรวยขอทานนี้มาด้จนเสมอไปได้เงินมามากได้ทองมามากก็ทองไปฝากเพื่อนเอางเงินไปฝากเพื่อนแล้วแกก็ขอทานต่อไปสําหรับเพื่อนเองก็เมาบานเกินไปเห็นว่าโชคลกภไปคนคนเดียว <c oughs> ไปนานๆอาจจะตายในระหว่างทางก็ได้หรือขับถูกใครทุกไตก็ได้เพื่อนเป็นนักการพ น, นันก็เล่นการพ น, นันเอาเงินเอาทองวัตถุชกเล่นหมดต่อมาวันหนึ่งทัตถุชกคิดอยากจะได้กตางใช้ก <c oughs> ็ไม่แน่ใจว่ากา็อยากจะสร้างตึกหรือเปล่านนก็ไปนัองกลับมาหาเพื่อนมาขอกตังขอเงินขอทอง เพื่อนก็บอกว่าเล่นการพนันสมุดแล้วโชชกก็ไม่ยอมไมเมื่อโชชกไม่ยอมเพื่อนมีลูกสาวยี่คนหนึ่งลูกสาวคนสวยเชิมิตรดาก็ ย, ยกลูกสาวให้เป็นเมียโชชก็ดีใจเงินทองไม่ต้องการแล้วได้ได้ไปเลี้งดี้ย ง, งสาวเป็นเมียแล้วก็สวยด้วยก็มาปลูกกระท่อมให้อยู่ แล้วแกก็ไปขอทานขอทานได้มาก็ให้เมียไว้เงินสะสมของเงินทองก็มากมายแล้วต่อมาวันหนึ่งเทวดาก็ไปโดนดนใจเมียเนี่ยจะเทวดาเทวดาอีกแล้วนะเทวดาท่านก็ยุ่งไม่น้อยเหมือนกันท่า ต, ตั้ ง, ต, งตั้งใจจะให้พระเอกตอนเป็นพระเป็นพระเจ้าให้ได้ก็โดนใจไม่สุดา ก็เห็นสามีพัญญาคนอื่นเขาจูจีจู้จีจกันอยู่บ้านอยู่ช่องแค่ว่าอมิตฎดาอยู่กับสามีไม่กี่วันสองสาวันจะยกไปขอทานเขาเธอจึงบอกว่าตอนนี้ไปจะไม่อยู่แล้วจะกลับบ้านเพราะมีความลําบากมีผัวก็เหมือนไม่มีผัวผัวไม่อยู่บ้าน <c oughs> ในการงานก็หนักต้องการคนรับใช้ ถ้าชูชกหาคนรักใช้มาไม่ได้เธอก็จะกลับบ้านชชกกถ็ถามว่าจะไปหาที่ไหนฉันไ ม, ไม่รู้จักใครที่เทวดาก็ดนใจเธอก็บอกว่าเวลานี้เขาไปสันดอนกับบรรดาวัดีออกจากเมยองมาอยู่เขาวงกตถ้ามีลูกอยู่สคนคือกัญหาและชาลีให้ไปขอกัญหาและชาลีมาเป็นคนรักใช้ ชูโชกฟังแล้วก็มีความมั่นใจว่าเมียรู้จริงจึงได้จะเข้าใจาัดของจากเงินจัดทองจัดของกินของใช้เ่อเสร็จเรียบร้อยให้อยู่อย่างเป็นสุขค่อยก่อนไม่กี่วันภายในเจ็ดวันฉันจะนําเด็กทั้งสองมาถ้ามีจริงก่อนจะไปก็ปิดประตูบ้านประตูช่องเรียบร้อยไอ้ปิดประตูครั้งคนมันครั้งไม่อยู่ก็ไปนอชูโชกก็ออกจากบ้านไป อยู่มาเบื้องหลังทั้งด้านหลังนี้อมิตตดาก็มีผู้ชายหนุ่มเห็นว่าอยู่เปลี่ยวอยู่คนเดียวก็มาเกี่ยวมาติดต่อก็เกิดความรักเธอก็ไปกับชายหนุ่มก็จิบมีผัวใหม่ตอนนี้ตามอาจารย์จันท์กล่าวว่า้าถามว่าทำไมอมิตตดาจะมีผัวแก่ พระครูนิโรธลักขิตแต่คุณนิโรธลักขิตท่านต่อเคยต่ว่าเพราะว่าน้ำพิธดาจะชาติก่อนบูชาพระด้วยดอกไม้แก่คือดอกไม้เหี่ยว <c oughs> เอาดอกไม้เหี่ยวๆนี่ไปบูชาพระให้ดีๆเนเก็บไว้ใช้เองเก็บไว้ประดับกายเองดอกไม้เหี่ยวใช้ไม่ได้ไปบูชาพระไม่ที่ไม่ต้องการพระอ น, นิสงส์อย่างนี้บรรดาชนพบ ร, ริษัท เกิดมาชาติหลังอภิตะดาจึงมีผัวแก่งั้นท่านกระถามต่อไปว่าภายหลังทําไมจังมีผัวนมก็บอกว่าต่อมาวันหลังอภิตะดามีความรู้สึกว่าการเอาดอกไม้เหี่ยวบูชาพระเป็นของไม่ดีก็ไปหาดอกไม้สดๆมาบูชาพระเป็นปัจจัยให้ได้สามีหน่มคือมีผัวนมนี่อันนี้สองเล็กน้อยน่นบรรดาญาติโยมกุศลสัจจะไม่ดีนะ ว่ามันเป็นกฎของกรรมไม่กันการบูชาพระเป็นกรรมดีคือเป็นกรรมที่เป็นกุศลแต่กรรมที่เป็นกุศลก็โดนบันดาลให้ได้ผลตามกฎข้องกรรมคือดอกไม้แก่บูชาพระก็ต้องได้ผลแก่ต่อมาดอกไม้น่มดอกไม้สาวมอบูชาพระก็ได้ผลนมเมียสาวไปแล้วไปจากกระท่อมนั้นแล้วตาชูชกก็เดินท่อ ม, อมไป พอไปถึงทางเข้าพบเจตบุตรเข้าเจตบุตรห้ามเข้าจะขืนจะเข้าจะยิงจยถนนหน้าไม้แกก็ขึ้นต้นไม้ชูก็บอกอาหารเพนนี้เราเป็นทูตของเมืองพระเจ้ากรุงศรีชัยให้มาตามพระเวทย์สันดรในกล่องนี่คือเป็นกังสือทูตเป็นคําสั่ ง, งพระเจ้ากรุงศรีชัย ก็พอดีพานเจตบุตรจะอ่านหนังสือไม่ออกเมื่อเข้าใจเป็นอย่างนั้นก็เลยปล่อยชูชกเข้าไปใ น, ปใ น, ในเมืเ อ, องกกเข้าไปในในเขตเพื่อไปดานคือเขาบ่งกฎการที่ชูชกเข้าไปเวลานั้นก็เป็นเวลาพอดีเป็นเวลาสายพระนามัดสีพระพันนามัสีก็เข้าป่าไปแล้ว อากาเข้าเปล่าวันนี้แปลกไอ้ลูกไม้ผลไม้ที่เยอะมีกะใกล้ๆมันก็ไม่มีมันหมดทุกวันมันมีมากแต่ปรากฏวันนี้มันไม่มีก็ต้องไปหาไกลมาหาผลไม้ที่เตรียมจากจะกลับก็มีเสือสามตัวเสือสิงเสือสองสิงหนึ่งนอนขวางทางอยู่ เธอจะนั่งอ้อนวอนสักเท่าไรก็ตามที่เสืส้อเสิงก็เฉยไม่ยอมให้ผ่านเขาก็ย้อนหลังมาทาพระเวชันดอนเ <c oughs> มื่อชูชกเข้าไปใกล้เท า, าใกล้อาสงพระเวชันดอนเธอคิดว่าตอนเช้าถ้าเข้าไปจะไม่มีผลเพราะว่าบรรดาสตีจะมีความตนี จะต้องเข้าไปตอนสายหลังจากให้นาวาซีเขาป่าไปก่อนว่าตอนสายก็เข้าไป <c oughs> เด็กทั้งสองคนคือกนหาราชาลีที่ชอเก้าไปก็วิ่งมาต้อนรับเกคิดว่าเจ้าสองคนนี่ลูกเจ้าลูกนายเราต้องห่มหูกอนที่เจ้าวัดจถอยเจ้าถอยดินถอยไป กัญหาธัชารีไม่เคยฟังเสียงอย่างนั้นก็ตกใจวิ่งหนีลงสะพระเวทสันดรก็ทศก็เข้าไปหาพระเวทสันดรตอนนั้นกัญหาธัชารีก็อยู่ใกล้กล่าวว่าจะขอกัญหาธัชารีทั้งสองคนเป็นคนไปคนรับใช้กัญหาธัชารีฟังแล้วมันต้รู้สึกหนักใจจึงเดินมาลงสะ ถอย ห, หลังลงไม่เดินไม่เคนเข้าหน่าลงให้รอยเท้าอยู่ข้างบนทำทีว่าขึ้นจากสะไปแล้วเมื่อชูชกมาข อ, อกัรหาราชาลีพระเวสสก็ตัดสินใจเพราะว่าเราปฏิบัติตนเพื่อพระโพธิญาณการให้ลูกให้เมียเป็นทานเป็นความดีที่จะได้เป็นพระพุทธเจา้า จึงอนุญาตให้พออนุญาตแล้วก็เรียกขนาดแชาลีทั้งสองก็ไม่เห็นุโชชก็ตอบว่าหาว่าเวิดนอนปากว่าตาขยิบตอนนี้เนอ้เราก็ตามหากขนาดแชาลีไปเห็นในสระมีรอยเท้าขึ้นแต่ไม่มีรอยเท้าลงก็ทราบว่าลูกทั้งสองแอบในสระก็เรียกขึ้นมาลูกทั้งสองก็ขึ้นมา ก็บอกว่าเวลานี้พ่อยกให้ชูชกไปแล้วให้ไปกับเขานี่ตาจูชกเมื่อเด็กทั้งสองแล้วก็คิดในใจว่าเจ้าสองคนนี้เป็นลูกเจ้าหลหนายเคยจะมีอำนาจสั่งคุณลงโทษคนดุคนด่าคนถ้าไปอยู่กับเราถ้าเราไม่ทำให้กลัวเสียก่อน เจ้าเด็กสองคนนี้ก็จะกำเริบแทนที่จะรับใช้เราเขก็กลายเป็นคุณใช้เราก็าไปให้ใครต้องรับใช้เธอจึงได้ดำเถาวันมาผูกข้อมือทั้งสองแล้วก็ตีเด็กทั้งสองต่อนหน้าพระเวสสันดรตอนนั้นตามอภาษาถาจารย์นะบอกว่าเพระเวสสันดรเกิดจะทนไม่ไหวเพิงก็ชักประคันว่าเจ้านี ลูกขอเราเลี้ยงมาด้วยดีมีความเรียบร้อยไม่ดื้อไม่ด้านไม่ว่าอะไรทั้งหมดถ้าปรากฏว่าเจ้าถูชกขอแล้วกับปัดลูกทั้งสองตีเขี้ยนตีดีไม้แต่ก็ศนตัวหนึ่งเขาเข้ามาโดนใจว่าเขาเป็นข้ากับเจ้าบ่าปกับนายเราให้เขาไปแล้วเให้ทำยังไงไปด้วยของเขาต้องแต่ว่าทนไม่ไหวเมื่อการต้องเดินเข้าหลังอสมไป ไม่ไม่มองไม่มองเห็นทูชกจุกชาลากกันหาลชายทั้งสองไปพอถึงเวลากลางคืนแกก็มัดเอาเชือกมัดมือทั้งสองแล้วก็อเอาเอาปลายเชือกผูกกับต้นไม้แกผูกเปนอนเดินทั้งสองก็อยู่โคนต้นไม้ถึงเวลากลางคืนเทว ด, ดากําลังฟ้าเทว ด, ดาแปลงเป็นบวชฉันดอน อีกหนึ่งนางฟ้าแปลงเป็นพนางมัตสีมอุ้มเด็กทั้งสองให้นอนมันตักเด็กทั้งสองคิดว่าพ่อและแม่มาก็มีความสุขนอนหลับสบายพอ ถ, ถึงตอนเช้าเทวดาวนางฟ้าก็หายไปตาจูชกกระจู ก, กระชากล่าไปตามเดิมตอนนี้ก็เป็นกฎของพระเวทของของเด็กทั้งสองเป็นเรื่องเทวดาวจะต้องเข้ามายุ่ง เทวดาบันดาลให้ถูโชว์กหลงทางแทนที่จะไปทางบ้านของแกกับดึงคนทั้งสองไปเมืองของพระเวทย์ันดอนที่บมืองของพระเจ้าหัวขนัยเวลานั้นกำลังชุกช่าลากกันไปถา้าจะถานเวลานั้นคงจะไม่ใหญ่โตวอาสมัยนี้คงไม่มีกำแพงบาง พระเจ้ากรมพันชัยเห็นเด็กทั้งสองถูกทูชกทูชกถูกถกระชาหลับไปแต่ใครก็จําได้ว่านั่นคือกัญหาและชาลีจึงให้คนไปดักหน้าทูชกเขบอกให้นาเข้ามาคนทั้งหลายสมาัยเขาบอกกันหาชาลีแน่พระเจ้าค่ะจึงให้นําเข้ามาใกล้เขาพอเข้ามาถึงแล้วกัญหาและชาลีก็นั่งข้างล่างพระเจ้าปู่ก็บอกว่าพระเจ้าหลานทั้สอง จนเขามนั่งมงตกตฎโปูกระทันงาราชาลีก็บอกว่านั่งไม่ได้เวลานี้พ่อขายมาพ่อให้มาเป็นลูกคนชั่วเป็นคนใช้องถูกชกไม่ใช่เจ้าตามเดิมถ้าหาว่าใจพ้นจากความเป็นเป็นทายเขาก็ต้องถ่ายไดเงินเท่านี้ทองทนี้มากมายจำไม่ได้เหมือนกันจำราคาไม่ได้แต่ชาวบ้านธรรมดาซื้อไม่ได้แน่ท้องขศัตร์ ถ้าก็ให้นำเงินน้ทองมาโชกตาจานวนโนชกก็รับไม่รับก็ไม่ได้อยู่ในเขตพระราชฐานเมื่อรับแล้วเก็แก้มัดคนทั้งสองเด็กคนหอยะชาดีทั้งสองขึ้นมานั่งตักเท้าจะปู่อรบรรดายญาจจติโยมผู้โดสัตยนั่งหลเวลาหมดพอดีข้อลาก่อนต่อนหน้าใหม่ขอความสุขสวัสดิ พ, พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดบรนดาทาธพุทธศาสุิขชนผู้รับฟังผู้อ่านทุกท่านสวัสดี